มันไม่ได้มาเป็นตัวทังแท้งอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อบางทีแบบสวดมนต์อยู่เห็นเป็นเหมือนกับเศษอะไรแบบเหมือนกับมันเศษทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารู้ว่าอันนี้คือมันมันสิ่งที่มันเป็นตัวเราที่มันผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยดีน ะ, ะดีที่เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับมีความเป็นกลางกับความเป็นกลางมากขึ้นนะคะไม่ได้ดิน้นรนแสวงหาเหมือนที่ผ่านมาค่ะดี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 อันเนี้ดีที่เห็นนะะเพิ่งเคยเห็นครับเนี่ยไม่ถึงฐานครับให้เรารู้เอาว่ามันไม่ถึงฐานครับไม่ต้องอยากถึงนะรู้อย่างที่เขาเป็นครับผมรู้อย่างเป็นกลางหรือเข้าฐานเองเนี่ยเริ่มไปกดมันละไม่ไปกดมันนะปล่อยปล่อยมันเอามาส่งมาข้างหน้าโออครับใหม่โอแหล่งส่งกันบ้าน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 มันก็เข้าหลวบเดิมคือมันก็ยึดเหมือนเดิมอืมือนรู้ทันนะ้วมันจะไม่ยึดแรงเนี่ว่ามันก็ยึดแรงเหมือนเดิมนะฮะไมเกรนขึ้นมาสามสี่รอบแล้วฮะช่วงเดือนเนี้ไม่เป็นไรกรรมของเราอ่ะอยู่วัดอยู่วัดก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับช่วงที่ไม่สบายพอดีก็พยายามรู้ลงหายใจแล้วก็พออย่างตอนนั่งตอนเดินก็จะมีฝุ่งไป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 ก็ยังรู้ว่าสงสัยอยู่แต่รู้ไปนะรู้ลงปัจจุบันแล้วไม่ผิดหรอกอ้าหมอท็อปทำไมคนอยู่วัดเยอะจังวันนี้อก็ตอนนี้ดีกว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้ากดแรงกว่านี้ครับอนี้ก็มีกดแล้วก็มีโมหะเบาๆก็ช่วงสองสัปดาห์มอรู้สึกไม่หมอวางฟอร์มครับในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สังเกตว่าตอนประชุมฮรมันจะมี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 หลังจากมก็ปรุงแต่งไอ้คำสอนของพ่อครับก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแหมมันก็เข้าไปอีไปหลูบเดิมคือเดี๋ยวก็คิดแล้วก็กลับมาทุกข์อีกคิดแล้วก็กลับมาทุกข์อีกอ่ะแต้วยกมือเมื่อกี้เกาค่ะอะไรนะพอดีเมื่อกี้ไม่ได้ยกมือคะอ่ะยกมือขึ้นปัดแมงลงวันอ๋อมาปัดแมลงวันนึ <c oughs> ่าเอยกมือเอวาวาดไปก็ <c oughs>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 อย่างนี้นี่ถือว่าเป็นการตรวจสอบหลวงพ่อฟังไม่ออกเอาใหม่ช้ายความว่าหมายความว่าเวลาเราเราเราเห็นอย่างที่บอหลวงพ่อบอกว่าเออช่วงนี้มันเห็นเองแต่เวลาหนูหนูก็คิดเอาว่าวิธีในการตรวจสอบว่าไอ้ที่เราดูหรือเห็นมันถูกต้องหรือเปล่าก็โดยการดูว่ามันมีกิเลสหรือเปล่าค่ะแต่ช่วงนี้หนูก็ไม่ค่อยเห็นกิเลสเท่าไหร่ค่ะอย่างขนาะนี้มีกิเลสอะไรล่ะหนูออกไหมก็อยากอะค่ะอยากรู้มีความอยากมีความฟุ้งซ่านของจิต เห็น ไ, ไหมมีกิเลสหลายตัวแต่กิเลสพวกนี้มันละเอียดนะมันละเอียดเราก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่มีกิเลสค่ะความจริงมันมีแต่เราไม่เห็นมันละเอียดนะอยตอนนี้จิตหนีไปคิดเห็นไหมจิตหนีไปคิดก็คือจิตเป็นอุทธัจจจิตฟุ้งซ่านมีโมหะนะเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไห ม, ไไหม เ, เ, เห็นไหมกิเลสเยอะแยะเห็นไหมแอสตัน แอสตันฟุงฟ้งไปไหน่อยเนาะฟุงฟ้งมากครับหลวงพ่อพูดให้กำลังใจแล้วนะคืออย่างเมื่อเช้ า, า, ชาเข้าห้องนา้ะาครับหลวงพ่อคืออาศัยว่ามันว่างแป๊บหนึ่งก็นั่งดูไปเนี่ยเออมันต้องอย่างนั้นสิเห็นเลยว่ามันมันเหมือนคลื่นที่มายยยยเ อ, อเราเหมือนเราไปอยู่ริมชายฝั่งแล้วคลื่นมันซัดซัด ซ, ดซดเข้ามาไม่หยุดเลยครับ อ, อไม่มีหยุดนะครับ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 จริงๆมเมื่อวานอยากมาส่งกันบ้านมากเลยค <c oughs> คือช่วงนี้มันมีสภาวะแปลกๆนิดหน่อยตรงที่ว่าคือเมื่อเดือนที่แล้วอะครับผมผมกวาดบ้านอะอยู่แล้วมันมีมแมลงสาบ ม, มาไตาท่ทีนี้มันตกใจแล้วจิตมันไปรับทันนะครับแล้วไอ้ความความกลัวและความตกใจมันมันดับไปตรงนั้นแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยสังเกตว่า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 เกิดอึดอัดทรมานอะไรเงี้ยแต่จิตผู้รู้ก็ยังเบิกบานอยู่นะมันไม่เกี่ยวกันค่ ะ, ะแล้วก็ช่วงนี้จิตมันเค้นตัวเองน้อยลงค่ะก็รู้สึกมีความเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันคือไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ดูๆทนๆไปก็แล้วกั น, ออนแล้วมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะความสุขหรือความทุกข์ก็ชั่วคราวทั้งนั้นแหละลเข้าใจตรงนี้นะใจก็เป็นกลางกับโลก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 ตามรู้ไปเรื่อยๆอ ย, อยากขอคนะําแนะนําของหลวงพ่อครับพุทธแม่กำลังตื่นเต้นอยู่นะให้รู้ว่าตื่นเต้นนะครับ <c oughs> รู้ไหมตื่นเต้นนะ่ะไม่ต้องส่งใหม่นะครับเนี่ยส่งใหม่ไปเดี๋ยวเครียดเปล่าๆครับโ <c oughs> ยบดูออกไหมใจเราวิ่งไปวิ่งมาได้ฮนะเอาไปให้หน่อยก็ได้ <c oughs> ดูออกไหมใจเราวิ่งไปวิ่งมาได้ค่ะ <c oughs>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 ตอนนี้ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นไม่เป็นไรงไงตื่นเต้นแล้วเราไปกดไปไปรวบไปนะอันนั้นก็คือความปรุงแต่งอย่างหนึ่งซึ่งนักปฏิบัติเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเราก็หัดรู้เอานะหลวงพ่อไม่ได้ตําหนินะหลวงพ่อจะหัดให้รู้จักสภาวะได้เยอะๆต่อไปอะไรเกิดขึ้นในใจเรานิดหน่อยเราก็มองเห็ น, นเอาว่าไปก็ช่วงก่อนหน้าที่จะมาเขาที่แล้วเนี่ยมันจะ เห็นไม่ชัดแล้วก็หลวงพ่อก็แนะนําไปก็ตอนนี้รู้สึกชัดแล้วก็กระชับกระเชงขึ้นแล้วก็ดูแลละเอียดขึ้นที่เหลือก็ไม่มีอะไรพิเศษแล้วก็ดูใจดูตาเห็นไหมตอนคุยกับหลวงพ่อตอนนี้กะตะเกียจิตไม่เหมือนกันนึกออกไหมนึกออกไหมตะเกียจมันนิ่มมันนุ่มนวลผิดปกตินะเป็นเพราะมันซึมอะค่ะไม่ใช่ไปแกล้งทําเรียบร้อยเนี่ยตัวจริงเราอยู่ตรงนี้ทหาจรดูไม่ รู้สึกไหมตอนนี้จิตใจเราเคลื่อนไหวเห็นัหมไอ้ตอนนั้นิ่งๆไม่ค่อยจะกระดุกกระดิกเมื่อกี้มันตื่นเต้นเยอะเลยไปกดเอาไว้นั่นแหละให้ค่อยรู้เอานะมันไม่ใช่ตัวจริงของเราเพราะตัวจริงนะซนนะทุกซนแต่ทาเป็นเรียบร้อยนี่มาเรียนหลายทีแล้วหลวงพ่อค่อยๆลอกเปลือกนะดีแล้วที่ฝึกอยู่ใช้ได้อาบคนนี้เบอร์99กอ่ะกุ้งก่อนก็ได้ทั้งผ่าน ก็ยังมีประคองอยู่ค่ะเป็นๆหายๆก็พยายามดูว่ า, าบางครั้งเนี่ยพอเรานึกถึงการปฏิบตัติเขาก็จะรวบเข้าไปาแน่นอยู่ข้างในแน่นแล้วถ้ า, าปฏิบัติชอบทําอย่างนั้นพอบางทีถ้าไม่ไม่หรือบางที่เราเฉยๆเขาก็เข้าไปแน่นเองตอนนี้ก็จะดูเฉยๆอะค่ะเพราะว่าถึงให้มันรู้ว่ามันยังไม่เป็นกลางนั่นเองแต่ก็ยังไม่<ร>าหายเราไปกดเอาไว้ไปบังคับไว้นะแล้วก็คอยรู้เอา อ่ะ99้าบเก้าใช้ได้ ก, กุ้งแต่กุ้งไม่เป็นธรรมชาตินะรู้สึกไหมตอนนี้อ่ะเก้าิบ้าค่ะก็คือช่วงนี้ก็จะเห็นกิเลสที่ว่าเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมาให้เรารู้อค่ะทีนี้ส่วนมากอย่างบางคนเนี่ยค่ะเราเจอปุ๊บมันจะเหมือนแบบออโต้จะเหมือนจะโกรธรอหรือไงไม่รู้อค่ะก็เหมือนเพิ่งคิดได้ก็ส่งสารเข้าเหมือนกัน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 แล้วก็เห็นตัวเรามันโผล่มาให้เห็นเป็นระยะระยะอย<า>่างนี้สิถึงจะเก่งหนูก็ใช้วิธีภาวนาให้มันเป็นศพค่ะไอเอาอีกแล้วทาไมชอบยุ่งกับศพวันที่หนูอ่านหนังสือค่ะแล้วว่าจิบมันไปปิ๊งค่ะอ๋อไอ้นั้นมันสมถะนะไปพิจารณาให้เป็นศพค่ะแต่ก็หนูก็เห็นมันก็คือลักษณะที่ว่ามองเห็นว่าศพมันที่เรา <ไ><ล>ให้เป็นนะคะมันเดินได้ออแล้วก็มันจะทําอะไรก็ให้มันทําค่ะเออดูอย่างนั้นก็ได้นะถ้างั้นเห็นนะเห็นศพเนี้ยยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยๆศพนี้ไม่ใช่ตัวเราเหรอกน ะ, ะนดูไปเรื่อยแล้วเห็นมันตายเป็นระยะๆด้วยค่ะดี<ฆ>ดูไปอย่างนั้นแหละเห <ไ entonces S 1> ็นไหมมันไม่ใช่ตัวเราค่ะนะดูไปเรื่อยๆนะเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราถ้าหมดลมตัวเรามันก็หายค <cryst. S 1> <move> ่ะไม่หมดลมตัวเราก็หายได้ถ้ามีสตินะ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 ไม่เอานะเอารู้สึกเอาอะส่งมาวุฒิรู้สึกเอานะอย่าคิดมากอย่าอ่านมากดูของเราเยอะเยะเมื่อวันเสาร์ที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูตัวกูเก่งอะไรเงี้ยครับก็เห็นบ้างเป็นช่วงๆแลนะครับแต่เข้าใจว่ายังมีอีกเยอะครับแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าสังเกตดูว่าใจบางทีมันชอบจะไหลลงไปอยู่กับอาการอะไรบางอย่างไปที่เดิมอยู่เรื่อยๆอ ม, มันทํางานอย่างเดิมเนี่ย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 ดูไปซื้อๆเมื่อกี้ใครยกมือคน น, ค, นนคนนี้คนนี้แล้วก็คนเสื้อสีชมพูกามนาฏการมพระอาจารย์ครับตื่นเต้นอยู่ครับยังไม่หายทะทีอยากหายแม่ลองลุกขึ้นแล้วหมุนหนึ่งรอบคือวันนี้ผมมีเรื่องมาถามสองเรื่องค่ะคืออยากจะบอกว่าุวันนี้การปัิทําสำหรับผมนี่เป็นเรื่องสนุกมากๆเลยค คือแบบมันสนุกอ่ะนีะแล้วก็บางทีติดขัดอะไรเนี่ยหรือว่าอะไรแล้วแต่นี่นะก็ยังมีเสียงหลวงพ่อนังเข้ามาในหัวอบอกว่าอยากไว้แล้วนะหรือไม่ก็สงสัยรู้ว่าสงสัยเนี่ยสอนดีนะครับจงหรือว่าบางทีจงใจปฏิบัติอ้าจงใจปฏิบัติอยู่นะอืมแล้วมันก็คลายไปเองฮะแล้วปัญหาอยู่ตรงนี้ฮะหลวงพ่อทําไมมันคลายได้เองรู้ไหม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 แล้วกนะ็แล้วเราจะลืมตาขึ้นตอนพอจะลืมตารู้สึกว่าตัวเราไม่มีคะับออันนั้นมันเป็นสมถะนะครับผมอย่าง ต, นตอนที่เรานั่งฟังไปเรานั่งดูดูไปจิตมันรวมลงไปอ๋อจิตมันรวมไปร่างกายหายไปดีโอเคแล้วขอบคุณมากครับอ่ะคุณสีชมพูนะนะแล้วมาข้างหน้าแล้วมาทางนี้นกักปราทครับก็อาทิตย์ที่แล้วนี่มามาบอกหลวงพ่อว่าฟังซีดีหลวงพ่อละอึดอัด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 ได้จะไปดูว่างๆดูใจเราแล้วก็ถ้าเป็นเมื่อเช้าเนี่ยประเอยว่าผมดูฟุตบอลนะครับหลังจากดูฟุตบอลเสร็จเนียมันนอนไม่ได้ต่อมันประมาณสักตีสีกว่ากว่ามันนอนไม่ได้ก็เลยลองลุกขึ้นมานั่งสมาธิดูว่ามันมันไม่หลับใช่ไหมมันไม่หลับก็ไม่หลับนั่งสมาธิดูพอพอกำหนดลมหายใจเป็นแบ็กกราวน์ครนี้เห็นมันเหมือนกับเราโดนภาษาใหม่เมื่อกี้ เห็นชัดครับมันวิ่งกับทุกเรื่องที่เรามันไปได้ทุกเรื่องนั่นแหละเราตูบอลมากจิตมันเลยฟุง้งซ่านมันวิ่งตามลูกบอลมานานครับแต่เห็นชัดดีครับหลวงพอ่อครับก็คงส่งมาข้างหน้านะเราต้องมีอะไรต้องปฏิบัติไปพักให้มากกว่านี้นะคพักน้อยเกินไปภาวนาไม่ไหวนี่้างนี้คนนี้คนนี้ก่อนนะการาบน้ำรส ก, กาลหลวงพ่อคะ่ะ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 เรามัวแต่ไปรู้สภาวะทั้งหลายนะบางทีเรากิเลสเกิดแล้วเราล้าเลยเราไม่เห็นนะเช่นคนโน้นบอกไปรู้ว่างๆมีความสุขมีความพอใจเกิดขึ้นไม่เห็นว่าพอใจราคะเกิดไหมของคุณนะแม่พอมันไปนิ่งทื่อๆอยู่มันหงุดหงิด <c oughs> นะเรามัวแต่เห็นว่ามันทื่ๆเราไม่เห็นว่าหงุดหงิด <c oughs> นะมันถ้ากิเลสเกิดขึ้นในใจนะให้รู้ทันลงไปนะ <c oughs> กิเลสมันแฝงเราก็ต้องรู้เอาตราบใดที่กิเลสยังครองหัวใจเราอยู่ในขณะนั้นสติจะไม่เกิดเลยทั้งๆที่นั่งดูอยู่งั้นไม่มีสติจริงนะให้รู้เข้าไปให้ถึงกิเลสที่ปฏิบัติอยู่นี้พอถูกทางอยู่ใช่ไหมคะพอใช้ได้นะไปทางนั้นเดี๋ยวคนนี้ที่หลังคนนั้นแล้วสีชมพูนั้นก่อนอีกอ๋อไม่ใช่ห้ไม่ใช่เลยอ่ะเก่าเป็นนสวรรค์หลวงพ่อค่ะ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 ที่ปฏิบัติมานี้หลวงพ่อให้คําแนะนําต่อได้ไหมคะว่าจะต้องทํำยังไง ร, รู้รู้รู้รูลงปัจจุบันเลยน ะ, ะที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้แล้วจิตเริ่มตื่นแล้วค่ะขอบคุณค่ะอ้าวใครยกมือนู่นเบอร์90กว่าผ่านทางนี้ไปก่อนนี้วันนี้อยู่กลางกลางนี่กราบมิสการหลวงพ่อค่ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้การบ้านไปบอกว่าให้ไปดูแบบห่างๆดูเล่นๆ น, นะคะ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 ดูลูกเดียวเลยนะดูเป็นละนะเรารู้รู้อย่างเป็นกลางไปเรื่อยนะพอรู้ตามความเป็นจริงมันเบื่อพอนะ เ, เบื่อเราก็รู้ว่าเบื่ อ, อนะใจก็ไม่เบื่อใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาสักว่ารู้สักไว้เห็นทุกอย่างต่อไปอีกนะดูไปเรื่อยๆนะดูจนเห็นว่าไม่มีตัวเราพอมองออกขึ้นยังว่าไม่มีตัวเราเหรอไม่แน่ใจว่าเห็นเป็นผักๆครับมัน เ, เป็นขณะขณะมันเห็นเป็นขณะขณะยังไม่สมุดเฉด แสดงว่ายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันนะอาต่อไปทางนี้ข้างหน้าเลื่อนมาหน่อยผู้หญิงข้างนั้นแล้วค่อยมาทางนี้นะเห็นแค่ยกมือแวบๆเออ<ข>บอร์เบอร์หนะึ่งหนค่ะกราบ น, ะมนามสการนะคะออหนูขอโอกาสถามเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมอยากจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนำวิธีการปฏิบัติธรรมที่เหมาะกับจริตของหนูอะคะ่ะของคุณก็คิดมากนะดูจิตไปเลย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 สู้ไม่ได้ก็หนีนะกา ร, รบ้านที่หลวงพ่อจะให้ให้ไปตั้งเยอะแล้วเอาไปทาให้ทันก็แล้วกันใครรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปได้นะแต่อย่าไปจ้องให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาแค <c oughs> ่นี้ก็ทำกันหลายปีแล้ว <c oughs> ข, อขอบพระคุณมากหมาเลขบเอกาบนามสการค่ะรู้สึกประคองแล้วก็กแน่นแน่นใช้ได้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 มันมันเป็นมันนานแล้วนะคะแล้วไม่ชอบเนาะ <c oughs> ให้รู้ทันไปว่าใจไม่ชอบแล้วใช่ไม่ชอบเลยเอแต่ความไม่ชอบเนี่ยไม่คงที่รู้สึกไหมบางทีก็เฉย <ฮะ S 1> บางทีก็ไม่เฉยใช่คนะ่<ฮ>ะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบไปนะอย่างที่หลวงพ่อบอกตะเครู้สภาวะไปนะแต่ถ้ารู้สภาวะแล้วกิเลสแทรกเข้ามาให้รู้กิเลสอย่างเราใจเราไปติดอยู่เนี้ยเรารู้ว่าติดติดแล้วเราไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบไม่ชอบเป็นโทสะละ ในขณะนั้นโทสะเกิดสติจะไม่เกิดะสติจะไม่เกิดร่วมกับกิเลสค่ะ ข, ขอบคุณค่ะอาทางด้านนี้เบอร์ห้าสิบเชิญโยมไม่เบื่อเลยมานั่งฟังกันฟังนานๆ น, น, น, น, น่าจะกลับบ้านได้แล้วกลับนมัสการหลวงพ่อครับผมมาเป็นครั้งที่สาครับแต่ครั้งนี้จะขอคาแนะนําในการปฏิบัตินะครับยังเพ่งอยู่นะครั บ, ครบใคราๆออกไป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 เราอย่าไปบังคับให้มันนิ่งถ้าเราบังคับไว้นะถูกเขาด่าเราก็เฉยถูกเขาชมเราก็เฉยไม่มีไตรรักให้ดูเลยมันเที่ยงเราต้องดูให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงงั้นเราอย่าไปบังคับไว้ปล่อยมันครับค่อยๆดูไปนะกดแรงไปนิดนึงขอบพระคุณครับแต่ไม่แรงมากนะวันนี้ยังดูไม่นานก็หายละอาต่อไปมีไหมอาทางนี้ทางนี้บ้างนั่งเก้าอี้มีสองท่าน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 งั้นโยมพยายามรู้สึกตัวไว้ให้เยอะๆอะส่งไปข้างหลังไปราบหลวงพ่อเจ้าค่ะเออดิฉันได้ปฏิบัติดูกายกับจิตก็หลายปีโยเนี่ยเจ้าค่ะแล้วดูแบบอย่างที่หลวงพ่อเคย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 กร ะ, ะทบะอารมณ์บ่อยๆขณะที่กระทบอารมณ์เนี่ยอย่าประคองใจไว้ของโยมมันประคองจนชินนะฉะนั้นเวลามันกระทบมันจะเฉยอย่างนี้อ ะ, อะไรมากระทบมันก็จะเฉยนึกออกไหมนึกออก <จะ S 1> เฉยเออตรงนี้ไม่เอานะเอาลูออกมาเลยลูอามาอย่างนี้พอมาอยู่ตรงนี้นะักระทบแล้วมันจะกระเทือนกระเทือนขึ้นมาแล้วค่อยดูเอาจะเห็นแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยอยู่ตรงนี้ไม่เห็นทุกข์นะไม่ค่อยเห็นไม่เห็นทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์จะไม่เห็นธรรม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 ้ตัวปร่งโล่งมันอยู่ข้างบนใช่ไหมมันดูลงไปแล้วตัวที่กลางๆนะ้นมันถูกบีบคั้นค่ะพอเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็เลยเห็นว่าพอมีเหตุมันก็เกิดพอหมดเหตุมันก็ดับอืแล้วก็เห็นว่ามันไม่ใช่คอนโทรลไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รักษาตัวนี้นะตัวบนนี้เราก็ไม่รักษาไว้คอยแอบกลับไปดูบ่อยๆว่ามันมันอยู่แต่รู้ว่ามันมันอยู่แล้วก็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 ค่อยๆดูไปแล้วมันค่อยถี่เองแต่ถีมากไปมันก็ฟุ้งซ่านอีกนีมันค่อยๆไหลามาช้าๆเนิบๆงั้นดูง่ายๆดีค่ะยังยังถือว่า<ด>ขอบคุณค่ะไปส่งไปข้างหลังข้างหลังกับนุสการหลวงพ่อครับเป็นลูกขิษยหลวงพ่อมาปีกว่าก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆก็รู้หลงอยู่บ่อยๆเหมือนกัน ในทีแรกพอรู้ว่าหลงก็ดีใจก็รู้ว่าดีใจมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขแต่พอพักหลังนี่สักสองสามเดือนนี่อยู่กับคิดแต่เรื่องงานทำให้รู้สึกจะมีความทุกข์ก็รู้ว่ามีความทุกข์เสร็จแล้วรู้สึกว่าจิตใจมันหนักๆแน่นๆอบางครั้งหัวก็หนักไปด้วยใช่ก็รู้สึกว่าไม่สบายใจพอไม่สบายใจก็รู้ว่าไม่สบายใจแต่ก็ยังรู้ว่ามีอะไรติดอยู่เงนี้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 ยังบอกว่าพระเรื่อยๆนะว่าพระมีโอกาสดีแล้วอย่ามัวทะเลทลัยนะบางคนเขาทะเลทลัยเล่นโน้นเล่นนี่ไปด้วยก็เรียกว่าชาวบ้านเขาให้โอกาสภาวนาแล้วทิ้โงโอกาสนี้โง่ที่สุดเลยทีอพอครับไงไปวกใส่พระพร ะ, พระไปทำอะไรกันมาคนโน้นกั น, น <c oughs> ั้นแล้วมาคุณผู้ชายนี่นะแล้วมาเบอร์31เนี้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 แล้วก็รู้สึกตอนที่ปฏิบัติแบบนั้นน่ะนะคะจะปวดหัวมากแทบจะระเบิดเลยแล้วอยู่ดมีมาวันนึงก็ได้มาฟังซีดีหลวงพ่อค่ะก็เลยรู้ว่าอ๋อรูนแรงที่เราปวดหัวนะเพราะว่าเราไปบังคับเราไปเพ่ง <figures> มันค่ะก็เลยตอนนี้ก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นนะคะเป็นกิเลสไปไหม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 ในความโกรธก็จะหายไปหรือบางทีเรานั่งหรือว่าเราเราเผลอหลับไปเงนี้ค่ะแล้วเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาว่าเอออ๋อตัวนี้ ท, ที่ที่กำลังหลับอยู่อย่างนี้ก็ดีนะรู้สึกไปเรื่อยๆใช้ได้ละเห็นไหมไม่มีตัวเรามาส่งมาเบอร์เจ็ดยกมือไว้ยกมากมากไว้เดี๋ยวมันหายไปกลางทางแล้วเดี๋ยวไปเข้าไปมุมน้นนะ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 นั่ไปส่งไปในมุมนู้นดูต่อไปอีกไปส่งเข้ามุมไปเลยไปหลังกลุ่มที่นั่งเก้าอี้ยืนขึ้นเลยยืนให้เลยเออหลวงพ่อจะได้เห็นกราบนวัตการหลวงพ่อครับเพิ่งมาหาหลวงพ่อครั้งแรกครับก็เพิ่งฝึกแนวนี้มาได้สักพักนึงเองครับก็จะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อเรื่องการปฏิบัติครับการปฏิบัติ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 เพนาะในท่านก็คือจะไปโลกนอนไม่หลับค่ะท่านทานยา น, นอาหลับก็ไม่ไม่ไม่หลับก็ต้องพยายามหลอกตัวเองว่ า, าหลับว่าเราไปนอนในป่าอยู่ใต้ต้นไม้อนั่นแล้วถึงจะหลับก็แล้วเป็นอย่างงี้ทําไมาทําไม <10 S 1> ปไปอยู่ในป่าใต้ต้นไม้แล้วหลับรู้ไหมเพราะว่าเราสบายใจ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 นึกถึงเราใส่บาตรนี่คือเราทําทานนึกถึงเราถือศีลนึกไว้นึกทานนึกศีลแล้วก็ถึงต้นไม้ถึงอะไรเวลาตายแล้วเราไปได้ขึ้นสวรรค์มีต้นไม้อยู่แต่แต่การที่เรานึกว่าเราไปนอนในป่าแล้วอยู่ใต้ต้นไม้นี่ดีใช่ไหมกระส่านก็เป็นวิธีทําให้นอนหลับนะแต่พยายามนึกถึงทานนึกถึงศีลของเราให้มากๆากไวจะนึกถึงต้นไม้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่าลืมนึกถึงทานกับศีลไว เราใส่บาททุกวันเรานึกเรื่อยนะแฟกทัข้างหลังข้างหลังกราบนมาสการหลวงพ่อค่ะก็ปฏิบัติแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาได้พักหนึ่งแต่มีปัญหาก็คือเป็นคนที่โทสะจริตเยอะมากจะแก้ยังไงดีคะแก้ไม่ได้หรอกเวลามีความโกรธขึ้นมาก็ให้รู้ทันไปนะนั่งดูไปซิมันจะโกรธได้นานแค่ไหน